มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาปัญจมวักอนุปปณะมคสะอุปาทปัญหาที่สิบถามว่าคำก่อนตรัสว่ายังมักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเหตุไรคำหลังว่า มักนั้นเป็นของเก่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามอัธปัญหาอื่นสืบไปว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าอันประกอบด้วยปรีชายานสมเด็จพระบรมโล ก, กาณาศาสดาจารย์มีพระพุทธดีการตรัสว่าพระทตถาคตเป็นผู้ยังมักที่ยังมิได้เกิดให้บังเกิดขึ้นแล้วกลับมีพระพุทธดีการตรัสอีกว่า พิกาเวดูกะระสงทั้งหลายเราผู้ตถาคตได้เห็นปุรานมัคขนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในก่อนทรงอนุญาตไว้แล้วดังนี้นี่แหละเป็นคำแย้งกันอยู่เดิมพระองค์ตรัสว่าพระตถาคตเป็นผู้ยังมัคที่ยังไม่เกิดให้เกิดเองภายหลังสิว่า พระองค์เห็นปูรานามักที่พระพุทธเจ้าในก่อนได้ทรงอนุญาตไว้จะเชื่อคําเดิมคาหลังก็ผิดเชื่อฟังไม่ได้ครั้นจะเชื่อฟังคาหลังคําเดิมก็ผิดเป็นสิ่งที่สงสัยอยู่อยังปันโโหอันว่าปัญหานี้อุพัโตโกติโกมีที่สุดเป็นสองเงื่อนอยู่นิมนพรผู้เป็นเจ้าโปรวดวิสัชนาให้แจ้งในการบัดนี้ เทโรอาหะพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเดิมสมเด็จพระบรมโลกกานาศาชสดาจารประธานพระพุทธดีกาไว้ว่าพระตถาคตยังมักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นดังนี้ภายหลังสมเด็จพระบรมโลกกานาศาสดาตรัสว่า พระตถ า, าคตได้เห็นแล้วซึ่งปูรานามค์ขนทางเก่าที่พระพุทธเจ้าแต่ก่อนอนุญาตไว้คำทั้งสองนี้ถูกต้องทั้งสองสถานจะมีผิดเพี้ยนหรือตู้แย้งกันหาไม่ได้มหาราชะขอถวายพระพรบพิษผู้ประเสริฐอันว่าปุรานามค์นั้นก็ได้แก่พระอัฏัางคิกามค์อันมีองค์แปดประการพระอัฏฐานคิกามคนี้ สมเด็จพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนตัดสรู้แล้วก็สรรเสริญอนุญาตไว้ให้ฝูงสัตว์โลกทั้งหลายพากันปฏิบัติสิ้นด้วยกันครั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าแต่ก่อนเสด็จเข้าสู่พระนิพพานล่วงแล้วพระอัฏฐังคิกามรักนั้นก็ลี้ลับไปหาผู้จะปฏิบัติไม่ได้เลยพระอัฏฐังคิกามรักนั้นลี้ลับอยู่เปรียบอุปมาฉันใด จักรวัติโนโมณีรัตนังวิยะเปรียบดุจแก้วมณีอันเกิดสำหรับบุญแห่งสมเด็จบรมมจอมจักรพรรดิเราชผู้ประเสริฐครั้นสมเด็จบรมมจอมจักรพรรดิเราชเสด็จลุ่งลับดับศูนย์สิ้นพระชนมายุแล้วอันดวงแก้วมณีรัตนนั้นก็อันตราฐานหายจากสถานที่นั้นไปสถิตซ่อนอยู่ที่ยอดเขาวิบุรบาลพศ ครั้นบรมจอมจั ก, กรพรรดิเดียราชองอ์อื่นได้มาเป็นใหม่แก้วมณีรัตน์นั้นก็มาสู่สมนักสมเด็จบรมจอมจั ก, กรพรรดิเดียราชพระองค์นั้นมหาราชขอถวายพระพรเมื่อเป็นเช่นนั้นจะว่าแก้วมณีอันปรากฏขึ้นแก่พระเจ้าจาั ก, กรพรรดิียราตพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเดียราตทรงสร้างแก้วมณีใหม่ขึ้นเองหรือเป็นประการใด พระเจ้ามิลินปินนาราธิปไตยจึงตรัสตอบว่านหิพันเตข้าแต่พระนาคเษศผู้ปรีชาจะว่าพระเจ้าจักรพรรดิเดีราชนั้นสร้างแก้วมณีใหม่หาได้ไม่แก้วมณีเก่านั่นเองแต่เกิดขึ้นแก่พระเจ้าจักรพรรดิราชนั้นพระนาคเษศจึงถวายพระพรว่ามหาราชขอถวายพระพร แก้วมณีเก่าที่ลี้ลับซ่อนเร้นอยู่อันใครจะเห็นไม่ได้มาปรากฏเกิดขึ้นด้วยบุญญาณุภาพของพระเจ้าจาั ก, กรพรรดิเดราชยะถามีครุวนาฉันใดบุราณมักที่สมเด็จพระพุทธเจ้าแต่ก่อนตรัสเทศนาโปรดสัตว์โลกให้ปฏิบัตินั้นครั้นสมเด็จพระบรมครูเจ้าแต่ปางก่อนเสด็จเข้าสู่พระนิพพานแล้วฝูงสัตว์โลกไม่ได้ปฏิบัติ บุรานมักนั้นก็อันตราธานหายลี้ลับอยู่ครั้นสมเด็จพระบรมครูเจ้าได้ตรัสสำเร็จแก่พระประมาพิเศกสัมโภธิญาณแล้วบุรานมักนั้นก็มาปรากฏให้รู้ด้วยพระสัพพัญยุตยานปานประดุจแก้วมณีอันมาสู่สมบรมโทธิสมภารแห่งบรมจั ก, กรพรรดิราชฉันนั้นแลประการหนึ่ง สมเด็จพระสัพพันยูบรมครูเจ้าของเรานี้มาได้รู้ปุรานมักนี้เปรียบดุลหนึ่งว่าสตรีภาพอันเกิดบุตรสตรีให้บุตรอันมีอยู่แล้วเกิดแต่กำเนิดโลกเขาเรียกว่าชันิกาหญิงผู้ให้บุตรเกิดมีขรุวนาฉันใดสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าก็ยังปุราณมักอันมีอยู่แล้วแต่ลี้ลับอยู่ ให้บังเกิดขึ้นในพระพุทธสันดานปานดุดสตรีภาพอันให้บุตรเกิดฉะนั้นประการหนึ่งดุดบุรุษชายมีทรัพย์อันสูญหายแล้วและได้ทรัพย์กลับคืนมาโลกเขาเรียกกันว่าบุรุษนั้นให้ทรัพย์เกิดขึ้นมีขรุวนาชันใดก็ดีสมเด็จพระพิชิตมานโมลีเจ้าก็ได้ปุราณมักที่อันตรทานหายอยู่นั้นกลับคืนมา มีคารุวนาดุดบุรุษชายได้ทรัพย์ที่หายนั้นคืนมามหาราชขอถวายพระพรอนบอพิษพระราชสมภารพระองค์ผู้ประเสริฐในบวรราชสริงคารโกจิบุริโสเปรียบปานดุดบุรุษผู้ใดผู้หนึ่งจะใครหาซึ่งที่อยู่ให้สบายว่านังโสเทตวาชายนั้นจึงไปทางป่าอยู่คนทั้งหลายนั้นก็เรียกชายนั้นว่า ภูมิสามิโกเป็นเจ้าของที่ข้อความนี้เปรียบฉันใดสมเด็จพระบรมไตรัยโล ก, กนาถศาสดาจารย์เจ้าพระองค์ทรงชําระสะสารซึ่งมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นบุรานมรรคนี้รับหลีไปแล้วถ้าสมเด็จพระสัพพันธ์อยู่เจ้าหาได้ทรงชําระไม่ก็ยังจะรับอยู่ต่อสมเด็จพระบรมครูเจ้าทรงชําระไป จึงได้ปุราณมักมาพระองค์ก็เป็นมัคคสามิโกเจ้าของแห่งมักเหมือนบุรุษผู้หักร้างถางป่าเป็นที่บ้านได้ชื่อว่าเป็นนายบ้านนั้นขอถวายพระพรก็ปุราณมักที่ได้แก่พระอัฏฐังคิกามักทั้งแปประการ น, นั้นคือสัมมาทิฐิถือสัมมาทิฐิหนึ่งสั ม, มาสังกัปโป ดำริในการที่จะให้เป็นกุศลหนึ่งสัมมาวาจามีวาจาปราศจากวจัจจทุจริตสี่ประการกล่าวแต่ล้วนสิ่งเป็นกุศลหนึ่งสัมมากรรมันโตประกอบการงานเป็นการกุศลหนึ่งสัมมาวายามโมมีเพียงที่จะประกอบการกุศลหนึ่งสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตโดยชอบรมประการหนึ่งสัมมาสติ มีสติเป็นอันดีระลึกอยู่ในการกุศลหนึ่งสัมมาสมาธิคือมีสมาธิอยู่ในทางภาวนาสมาธิเป็นประธานประการหนึ่งสิริเป็นอัฐถังกิกรรมักทั้ง8ประการเท่านี้สมเด็จพระพิชิตมานมูลีเจ้ากระทำให้บังเกิดขึ้นคราวเดียวในเวลาเมื่อยังมักผลให้บังเกิดนั้นซึ่งสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้า มาตรัสเป็นคําภายหลังนี้หวังจะให้รู้ว่าพระอัฏฐังคิกามักแปดประการนี้ลี้ลับไปช้านานต่อสมเด็จพระบรมมิ่งมงกุฏโลกาจารได้ตรัสจึงได้ชักเอามาตรัสพระธรรมเทศนาที่แท้นั้นมักที่ยังไม่บังเกิดพระองค์ให้บังเกิดนั้นคือพระอัฏฐังคิกามักที่พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทรงอนุ ญ, ญาตไว้นั่นเอง แต่อันตราานสูญหายลี้ลับไปไม่มีใครรู้จะเห็นได้เท่านั้นบพิษพระราชสมภารพึงเข้าพระทัยด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีก็สิ้นสงสัยสาธุการชมสติปัญญาพระหนา้าเกษมผู้เฉลิมประหดดุดในหนหลังอนุปนณะมาาาักขสอุปาทปัญหาเป็นคำรบสิบจบเพียงนี้ จบปัญจมาวัก